ลาสิกขาเนนน้อยฉีน้อยวันที่7เมษายน2562สุลินแล้วก็นักเรียนผู้ชายที่พิบูลรเราเองเนี่ยนะอันนี้อันนี้ฝึกทักษะชีวิตลูกไม่ใช่อ่านหนังสืออยู่ในห้องเรียน ไปท่องจำองค์ความรู้แล้วก็ทำอะไรก็ไม่เป็นคุยกับพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องคุยกับครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนะหลงว่าตัวเองรู้นะรู้มากรู้ข้อมูลวิชาการแต่ไม่รู้จริงสักอย่างหนึ่งนะคนรู้จริงคือต้องคิดเป็นพูดเป็นทำเป็ น, ท ำ, ปนทำเป็นจริงๆเห็นหถ้าเ็าลงมือทำมาด้วยเขาเองปุ๊บเราถามว่าไ้ทำยังไงเขาตอบได้เลยเพราะเขาไม่ได้ไปท่องจำคนอื่น เห็นไเขาลงมือเอาโฟมมาตัดเครื่องบินแล้วปุ๊บเขาบินเออมันตกมันไม่ดีเขาแก้ไขกว่าจะได้ถึงวันนี้เนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นอดทนนะต้องมีความใฝ่เรียนรู้นะโดยเฉพาะพี่จอมเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งมีความกระตันยูขุนยายนะความกระตันยูเนี่ยไม่อยากก็ต้องอยากทำไม่ได้ก็ต้องทำได้เพราะมันไม่มีทางเลือกเห็นไหม แต่ถ้าคนไม่กระตันอยู่ไอ้ชุละไม่ใช่แม่ฉันมีเงินพ่อฉันมีเงินเอาเงินมานั่นนะเราคิดว่าเราเก่งหรกเราไม่ได้เก่งเลยเราทําอะไรก็ไม่เป็นมีแต่ของเงินเป็นนะกระตันอยู่นี่สําคัญมากกระตันอยู่รู้คุณผู้ซึ่งมีพระคุณต่อเรานะก่อนที่เราจะทําความชั่วทําความไม่ดีเราก็คิดถึงคนที่มีบุญคุณต่อเรากลัวว่าเขาจะ ไม่สบายใจเราก็ไม่ทำถ้าเรามีกะตันยูปุ๊บเนี่ยเราขี้เกียจไม่ได้เดี๋ยวคนที่เรามีบุคคลต่อเราไม่มีจะกินเราก็ต้องขยันนกะตันยูเนี่ ย, ย, ยคือสั ญ, ญลักษณ์ของคนดีนะก็เมื่อวานกับวันนี้นะพ่อครูอายุเจสิน่ลูกขับรถพาพวกเราไปกินข้าวนะพี่ปุกก็ห่วงสุขภาพพ่อครูไม่ต้องห่วง นะพ่อครูรู้ว่าพ่อครูทําได้แค่ไหนนะมีลมหายใจหนึ่งวันก็ทำหนึ่งวันลูกเพราะอะไรพ่อครกูกรตัญอยู่พวกเราไม่ใช่พราอครูรักพวกเราเนาะแต่ถ้าพวกเราไม่รู้จกกะกตัญอยู่แล้วเนี่ยอนาคตเราจะไม่แจ่มใสนะคนที่เห็นแก่ตัวไม่รู้กตัญอูคนเนี่ยเก่งแค่ไหนก็ช่างจะไม่สําเร็จและไม่มีคนรักไม่มีคนส่งเสริม แล้วพ่อแม่บางคนเนี่ยเอาเงินเลี้ยงลูกสนองตันหามันเอาแต่ใจตัวเองมันเนี่ยอันนี้กอดคอกันตกนรกนะไม่ใช่รักลูกรักลูกให้ถูกทางต้องสอนให้ลูกเนี่ยมีกระตันอยู่แล้วก็ต้องมีความอดทนมีความเพียร น, นะที่พ่อครูเน้นเจ็ดประการนะลูกนะขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนกระตันอยู่แล้วก็มีวินยัยฝ่ายเรียนรู้นะ ถ้าคนเรามีเจ็ดอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปทางโลกทางธรรมเราจะสําเร็จได้บางคนมุ่งมั่นมาทางธรรมอยู่แต่ความมุ่งมั่นนะ่ะศรัท ธ, ธาไม่พอระหว่างทางก็เจอกิเลสมานนะก็ถูกมันดึงไปอีกก็ไปผูกเงื่อนใหม่นะเพราะไม่มีเจ็ดอย่างนี้นะไม่มีความอดทนนะ อ, อไม่มีความ ศรัทธาทั้งมันไม่มีวินัยนะนี่แหละที่พระคูเน้นเรื่องนี้นะส่วนเราจะเก่งแค่ไหนในะอีกเรื่องหนึ่งความเก่งนั้นมันคือผลของความมุ่งมั่นของเราทำไม่ได้ผิดพลาดเก้าร้อยครั้งก็ทำอีกถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะก็สำเร็จได้นะี่เล่นเล่นเครื่องบินเล่นอย่างมีความรู้เล่นอย่างมีทักษะ เราประเมินผลของมันน่คือว่าประเมินคือความตั้งใจจริงของเราความมุ่งมั่นเรามันถึงได้อย่างนี้นะแม้กระทั่งเอาเข็มเนี่ยมาร้อยพวงมาลัยเนี่ยถ้าไม่มีความมุ่งมั่นเนี่ยเราก็ล้อยเข็มไม่ได้เราก็ทำพวงมาลัยไม่สาเร็จทําไปครึ่งหนึ่ง เ, เบือ่อนะก็ไม่มีพวงพวมงมาลัยงามๆแบบนี้นะอันนี้หลอกกันไม่ได้ลูกเราต้องวัดผลจากความมุ่งมั่น ความอดทนนะมีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำนะพราะครูต้องการเห็นต่อไปถึงบอกว่าก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายหลงนะเมื่อวานก็จัดพราะครูต้องการมีโอกาสได้ทานเข้ากับลูกๆเนนนะไปกินข้าวกันที่แก่งสะพือหลงเปลี่ยนบรรยากาศนะก็พ่อครูก็อนโมทนาบุญนะเพราะว่าเด็กๆ เ, เก่งมาก นะบวชให้ในหลวงราชการที่เก้าเรามาครบสองปีครึ่งนะจนเมษานี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายละ ว, วันที่สิบสามนีเราก็บินทบาทครั้งสุดท้ายแล้วก็ก็ลาสิกขานะเพราะว่าพฤษภาเดือนหน้าเนี่ยก็มีพิธีราชาพิเศษ เป็นยุคที่เปลี่ยนราชการใหม่นะเราก็ทำให้หลวราชการที่เก้าเนี่ยสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็สึกออกมานะเรายัางเด็กว่าอยู่ในวัยเรียนลูกตอนนี้เราอยู่ในคาบของนักบวชเป็นเนนเป็นไม่ชีไปเรียนรู้เราจะไปเล่นแบบเราจะไปชกมวยเหมือนพี่จอมได้ไหมมันก็ไม่สมรวมเนี่ลูกเห็นไหมเออ เราจะไปเล่นกีฬาเราจะไปเล่นอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาติเตียนนะเพราะว่าคนที่เขาเข่งศาสนาเขาก็เข่งอยู่ตรง น, นั้นแหละนะบางทีไปติดแค่รูปแบบเข่งแข่งแข่ง่งแต่ข้างในมันไม่มีอะไรเลยอันนั้นกับเขาไม่ได้ผิดลูกพวกเราเนี่ยฝึกจิตต้องอยู่เหนือสมมุติบัญญัติแต่เราต้องไม่ทําลายสมมุติและบัญญัตินะเอาเป็นว่าพวกเราทําดีที่สุดดีที่สุดของเราก็คือว่าเท่าที่เราทําได้นะ ถามว่าพวกเราเป็นเนนเป็นไม่ชีน้อยเนี่ยสมบูรณ์ตามกติกาเขาไม่ตอบเลยว่าไม่นะไม่ถ้าใครบอกว่าใช่อันนั้นโกหกนะเราทำดีที่สุดแล้วนะผู้ใหญ่บางคนอยู่ข้างนอกเขายังไม่กล้าปงผมนะลูกปงปงคิ้วมาแต่งชุดขาวกับชุชดหลังเขาก็ไม่กล้าทำเนาะเราไม่ได้แข่งกับใครลูกเราทำแล้วเราก็ได้ เราได้แสดงออกถึงความกระตันอยู่รู้คุนแผ่นดินเกิดโดยเฉพาะในหลวงราชการที่เก้าของเราเนี่ยจากนี้ไปเราก็ได้อยู่ในบรวรราชการใหม่นะเราก็เป็นคนดีต่อไปลูกแต่อยู่ในคาบของนักเรียนซึ่งมีเบญจศิลปเบญจธรรมนะก็เตืนเอนอีกวันที่ส3บสาเช้านะ เราบินธบาตนะแล้วเราก็ทําพิธีศิกขาและวพวักครัก็จะประชุมผู้ปกครองนะให้ผู้กครองเข้าใจว่าเออทาไมบวชทําไมสึกนะแล้วต่อไปนี้เราจะทํำยังไงต่อไปนี้ศูนย์นี้เราจะเปิดเป็นชมรมลูกนะเออใครชอบชมรมไหนก็ไปเข้าชมรมนั้นนะแต่และชมรมก็มีเจ้าภาพดูแล พวกกูต้องการให้ทุกคนเนี่ยลงมือปฏิบัติทำเป็นจริงๆ learning by doing เรียน ด, ด้วยการปฏิบัติจริงไม่ใช่ไปท่องจำวิชาการบ้าๆบอๆจบด็อกเตอร์แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอันนั้นไร้สาระลกหมดสมัยละนะเราต้องลงมือทำนะเล่นอย่างมีความรู้เรียนอย่างมีความสุขนะแล้วดูว่ากิจกรรมไหนที่เราพอทำได้ลก เนี่ยถ้าเราเล่นเครื่องบินเนี่ยบอกเลยนะลูกเดี๋ยวพวกต้องการอุปกรณ์เนพักกูเขาสั่งเขามาให้นะแต่ต้องเล่นให้มันสำเร็จจริงๆนะไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งทิ้งคว้างๆอันนั้นอันนั้นอันนั้นแทนที่จะได้บุญกลายเป็นบาปด้วยนะต่อไปเราจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่เครียดแต่ต้องอยู่ในกรอบของความปลอดภัยนะแล้วตอนเย็นเป็นอาหารเย็นมื้อแรกของพวกเรานะ ของพวกเรานะก็เราทำวัดเย็นเสร็จก่อนลูกนะแล้วก็ไปทำกิจกรรมเราจะมีปาร์ตี้กองไฟนะที่หลังหอพักไม่ชีปฐมนะเดี๋ยวให้ช่างเขาติดสปอร์ตไลท์อะไรเนะี่ยปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้ยอมผ้านะคุณไม่ชีอยู่อีกเสียกหนึ่งตอนนั้นไม่ชีละเราศึกละนะไอชุดข า, ขาวๆที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ทิ้งลูก เอามาย้อมสีอะไรสีเทาที่เราเลือกใช่ไหมเอออีกสีกหนึ่งสามมณีนะก็เอามายอมชุดกางเกงเราเนี่ยเอ า, ายอมเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วเราจะมออีอาหารว่างนะก็พ่อครูสั่งพี่แก้วเราจัดเมนูพี่อมสินก็ซื้อ้เต่าย่างมาให้เรานะ จะเป็นปิ้งย่างบอร์บีคิวลูกอาจจะเป็นลูกชิ้นมีไส้กรอกแล้วก็พิ่เล็กพันนีวันนี้ก็เป็นโรตัตก็ซื้อไอเฟนฟายมาตั้งร้อยกิโลนะแล้วก็แบ่งกันผนแนกทอดผนแนกปิ้งผักยัย่างนะแล้วแกก็ออกมาพวกกูเอาแล้วมันจิ้มอะไรแกก็วิ่งไปซื้อซอสมะเขือเทศอีกสองแกลลอนคิดว่าเอามาอาบนะไม่ใช่เอามาจิม้มนะลูกเอามาอาบเนาะนะนะและทีนี้พวกเราก็ช่วยกันทานะ สนุกสนานกันแต่อยู่ในกรอบที่ทำประโยชน์นะเป็นมื้อเย็นมื้อแรกของพวกเราไม่ต้องกินหนักมากนะเดี๋ยวกระเพาะมันมันยังไม่คุ้นเคยอันนี้ก็ประกาศให้ทุกคนรู้วันที่13หน่อยถือโอากาศเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยนะก็ได้บินทบาททำหน้าที่นักบวชเราเไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกไม่แน่ ในชีวิตนี้บางคนอาจจะถอยมาบวชอีกก็ได้นะอันนี้ก็แต่ชีวิตเราเหมือนเก่านะลูกคือเราก็แต่งชุดที่เราย้อมนั่นแหละนะพวกฝ่ายเย็บเสื้อผ้าเนี่ยคุณไม่เชียร์เขาก็ตัดให้เราชุดใหม่มีอยู่แล้วชุดนี้ที่เรามาย้อมก็เอามาใส่ทากิจกรรมใส่ทางานกันนะเราก็ใช้ชีวิต เหมือนเก่าแต่อิสระกว่าเก่านะไม่ต้องไปเราขึ้นไป้ายไว้เป็นเนนป็ญชีไงพอมียี่ห้อปุ๊บอันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ น, ดนะเด็กๆก็พลาดโอกาสในการเรียนรู้บางอย่างเพราะกลัวเออแต่ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราภาวนาตัวแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุนแผ่นดินเกิดนะโดยการบวชนะเพื่อแสดงออกถึงความเป็นมุติตาจิต ให้ในหลวงรัชกาลที่เก้าเด็กๆทุกคนน่ารักมากลูกแล้วก็เราก็ทำมาจนถึงเดือนสุดท้ายนะพอเดือนหน้าก็เปลี่ยนรัชกาลอย่างสมบูรณ์แบบโอเคนะก็เล่าให้ฟังนะก็อยากมีโชนรมอะไรลูกถ้าเป็นคุมใหญ่ๆทำแล้วเนี่ยรล้วทำแล้วมันเกิดทักษะมีประโยชน์นะลูกนะไม่มีเหตุผลที่พ่อครูจะไม่ สนับสนุนพวกเรานะก็เห็นไม่ชีดีมก็ส่งรายงานจนเนนยังไม่ส่งให้พ่อกูนะลูกว่าต้องการเรียนรู้อะไรบ้างนะก็ว่างๆก็สรุปมาให้พ่อกูดูแล้วพ่อกูมานั่งดูว่าส่วนใหญ่เลือกชมรมอะไรนะแล้วก็จะเอาสถานที่ตรงไหนนะแล้วเดี๋ยวก็จะจัดแจงให้ค่อยๆทํา